แ be ง่คิดจากนั้นเรื่องแฮนด์คอปดีใดไม่มีโทษโดยโชนิน <c oughs> บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทําให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเสียทอร์ในการชมภาพยนตร์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 ซึงมกเข้าไปขัดขวางความชั่วร้ายต่างๆช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากโดยไม่ไตร่ตรองไม่คิดหน้าคิดหลังขาดสติแบบคนเมาพราะถูกตำหนิตักเตือนว่ากล่าวก็โมโหทำท่าไม่แยแสเบื่อหน้าผู้คนครั้งหนึ่งเขาได้ช่วยชีวิตเรนักประชาสัมพันธ์หนุ่มจากการถูกรถไฟชนทำให้เรสำานึกบุญคุณ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 วัดที่อาเขยบวชเนนนั้นมีแต่พระเนนที่มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นตอนนั้นอาเขยผมเป็นเนรน้อยอายุ12ปีแต่เห็นพระเนรในวัดปฏิบัติกันจริงจังก็มุ่งหวังเจริญรอยตามท่านบ้างครั้งหนึ่งแก่เป็นนั่งภาวนาในป่าและมียุงมากัดแก่ก็ไม่หลบไม่ปัดตั้งใจยินดีให้ยุงดูดเลือดด้วยความเต็มใจคิดมุ่งหวังสละเลือดเป็นทานแก่ยุง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 ส่วนความการุณามันพลิกเป็นโทสะได้รวดเร็วสังเกตใจตัวเองให้ดีแล้วกันบทความโดยโชลนินเสียงอ่านโดยโจโช